เป็นปฏิทานะหมายบุญคุณสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญนี้หมายความว่าบุญที่เราประกอบด้วยกายด้วยวิญญาณด้วยใจมาตลอดทางตลอดวันตลอดคืนถือว่าความทุกข์นี้เป็นของเราเราอุทิศส่วนบุญนี้คือคุณงามความดีที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้แก่ผู้มีพระคุณของเรา ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ป่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย <c oughs> ไม่มีที่จุดไม่มีประมาณถ้าเกิท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาประสบทุกข์คอยกวนจากทุกข์เมื่อประสบความสุขอยู่แล้วคอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่เราตั้งใจคิดบันบุญไปอย่างนี้ทําให้เราได้บุญเพิ่อมอี ท่านบอกแล้วว่าบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอ่าทีนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเกิอท่านทั้งหลายรับทรา บ, บรับทราบว่าเราระลึก ถ, ถึงและอุทิศส่วนบุญให้แล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มาอนันโมทนารับเอาบุญวการแบบนี้ก็เป็นการสำเร็จทําให้ได้บุญดีเช่นเดียวกันที่เรียกว่าปัตตานุกโมทนาไมัยบุญบุญสําเร็จด้วยการอนันโมทนาส่วนบุญ พอมาอนุโมทนาก็เหมือนกับมารับจริงมารับของแหละเหมือนอย่างที่เราแจกของวันนี้แหละของมีอยู่ในมือเราพอเราแจกไปปับก็อยู่ในมือเขาอ่าเหมือนกับเราแจกบุญแหละบุญของเรามีอยู่ในตัวของเราเราให้ปับก็เป็นสมบัติของเขาทันทีจะในขณะเดียวกันน่ะเราไม่หมดเราได้บุญเพิ่มดีเราดูในวิธีการที่ท่านเจ้าท่านสอนมาผลเหล่านี้เนี่ย เพาะแท้จริงไม่มใให้อยใจพวกเราเราย้อนมาดงนี้เป็นไปได้ไหมว่าบุญจาขึ้นในใจพวกเราแล้วถ้าเราที่้งบุญที่มีอยู่ในใจพวกเรานี้แหละให้แก่คนอื่นนับทั้งหลายทั้งปวเหล่านั้นได้ยินได้ทราบ ม, มารโมทนาพระเอ่าเขาปล่อยให้คุณเต็มที่แต่ถ้าไม่มารโมทนารัะเฒาเขาก็จะไม่ได้เพราะเขาไม่รับรู้รับทราบได้ยังเขาไม่ได้มาเปใจครับเอา เขาได้ตั้งใจมาปวดใจรับเอาคุณสําเร็จเป็นของเขาดุั้ น, นก็ตามคุณของเรายิ่งได้เพิ่มเงินสวีตูขึ้นมาอีกนี่คือคุณหัวใจของเรามันเป็นการเตือนไปหนึ่งยืนไปหนึ่งลวงรับลับไปแล้วที่ที่ให้ ạ. เขารู้เขาได้ยินได้ฟังแล้วเขามาในมรณะก็เขาคุณเขา สัตว์ทั้งหลายหูของวิญญาณทั้งหลายเนี่ยหูของเทวบุตรเทวดาทั้งหลายอ่ามันไม่เหมือนหูมนุษย์เลไม่เหมือนหอนอูคนหูคนอาจจะยินเฉพาะถ้า ย, ยู่ในรสนิยมที่เราที่ยินได้ฟังเท่นั้นแหละอ่าแต่หูของสัตว์ทั้งหลายทั้งตัวเหล่านั้นเขาได้ยินหามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นลแต่ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะมารับได้จะมารับมาอโนารัรารบเอาพอ่าจากทุกทุกใด เขาก็จะพ้นทุกไปไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเลยพอเราอุทิศส่วนบุญจากการที่เราทำบุญเรื่องผ้าแล้วที่ส่วนบุญให้เขาก็ปล่อยได้เสื้ออะไรผ้าได้อะไรมานุ่งมาห่มอย่าลืมว่าบุญจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออุทิศส่วนของบุญนะส่ะวนของบุญหมายความว่าเรามีวัตถุพยานเป็นประจักษ์พยานแทน้ถึงน้าใจพองเราคือบุญฮ เป็นวัตถุแทนบุญแทนสื่อน้ําใจที่เราอุทิศส่วนบุญไปของเหล่านี้เราทําบุญไปหมายความว่าไม่ใช่เราเอาไปกองไว้เฉยหรือไม่เราเอาไปเผาไฟาไปเผาไฟเส็แล้วโอทิศส่วนบุญให้ไม่ใช่แบบนั้นถือว่ามันไม่ใช่ประโยชน์คำว่าสเสด็จเสด็ประโยชน์หมายความว่ายัางไงเอ็กต์อย่า ง, างเราเด็กทวงเหรีออยญไปเนี่ย คนที่รับไปเขาก็ได้กินได้บริโภคแจกข้าวสารไปเขาก็ได้ไปหุงไปกินไปบริโภคแจกผ้าไปเขาก็ได้ไปนุ่งได้ไปห่มประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนุ่งการห่มประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคข้าวเออตัวเหลืองเอยเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละส่วนนี้แหละคือส่วนหุนอ่ะมันไม่แยกตัว ตัวเหลืองมันไม่ใช่ตัวผ้าแต่มันเป็นผลบุญผลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอีกฝ่ายนึ่งรับไปแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปเผาไม่มีใครได้ประโยชน์ถ้าเราเอาไปกองทิ้งไว้เฉยเฉยไม่มีใครได้ประโยชน์ไม่มีผลบุญที่จะส่งไปให้กับผู้ที่เราอุทิศให้ผู้ที่เราดำริถึงไม่มีเราพยายามทำความเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ รู้ได้ว่าบุญเกิดขึ้นจากผลที่เราแรกเปลี่ยนกันเจตยาเรารับทานอาหารเนี่ยเรารับทานอาหารเนี่ยเราให้ข้าวปลาอาหารแก่ท่านท่านรับข้าวปลาอาหารไปแล้วท่านกินนะ yeah. ความบุญนั่นแหละคือคุณงามความดีที่เกิดขึ้ น, น, น, ใ, น, น, มมนในใจของคู่ให้แล้วเราคที่ฉันควรที่แล อุทิศส่วนบุญที่เราทําด้วยอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็แล้วแต่ไปให้แก่ผู้ทีร่ร้องรับไปแล้วผลบุญเหล่านั้นท่านท้งหลายมารมรณาะรับเอาขึ้นชื่อว่าบุญ น, นั้น อ, อ่ะจะปรับสภาพจะเปลี่ยนสภาพให้ได้ตามที่เรามีความประสงค์ที่เรามีความต้องการอขึ้นชื่อว่าบุญจะทํามากก็ตามจะทําน้อยก็ตาม เอาใจของเราที่เป็นพายชนะดวงนี้แหละทำาะฮะลูกตาลูกตามหาปัวที่เปรียบเปียบว่าถ้าอยากเทียบเหมือนผล บ, บุญผลบุญเกี่เกิดขึ้น่จากบการที่เราทําบุญมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยถ้าจะากเทียบไปแล้วมันไม่ต่างอะไรกับพริกมันว่าไม่ไม่ไม่ต่างอะไรกับเม็ดพริกหรือผลพริกนี่ยนยะผล พ, พริกที่เป็นเม็ดเีก็กก็ตามที่เป็นเม็ดเต็มก็าตามเนี่ย จะมาเม็ดรีบเนี่ยท่านคงจะหมายความว่ า, ามันจะคงจะไม่ค่อยเปลี่ยนบางงันเถออ่าเวลาเราไปกู้อะเราไปตําให้แหล่คนกันทั้งคลิปรีบทั้ทงคลิกเม็ดรีบทั้งคลิปเม็ดเต็มจแล้วเราไม่ทราบว่าส่วนไหนเป็นส่วนของเปรตคลิปเม็ดเม็ดรีบส่วนไหนก็าคลิกเม็ดเต็แมแหละเวลาเราจิ้มผักจิ้มอะไรลงไปอ่าจิ้มตรงไหนก็มีความเปลี่เท่ากันหมดจิ้มไปตรงไห น, นมีความเปลี่เท่ากันหมด เพราะคุณทั้งหมดที่มันจะพึงมาเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราอาใจก็เราเป็นพายชนะหนึ่งเดียวที่รับผลคุณเหล่านี้ผลคุณเหล่านี้แหละที่ก็เรียก ว, ว่าผลกรรมผลกรรมผลของกรรมเราพูดถึงกรรมให้เรามองถึงกิริยาที่เรากระทำก็เรียก ว, ว่ากรรมจะอย่างพูดอยู่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้กิริยาการพูดนี่เป็นเป็นอะไรเป็นว่าะีกรรม ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดทําให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้รู้เรื่องรู้ราวได้สมใจได้ระลึกตามคําพูดเหล่านั้นเพราะคําพูดเหล่านั้นมันมีความหมายในตัวของมันที่จะเรียกว่าอัทธสาระในคําพูดอัทธสาระในคําพูดเขาเรียกว่าความหมายของคําพูดคําพูดเนี่ยเป็นปัญญัติคําพูดเป็นบัญญัติพอพูดออกไปแล้ว ความหมายของตัวบัญญัตินั้นมันมีอยูอ่ความหมายในตัวบัญญัติมันมีอยู่กเหมือนอย่างที่เราฟังเข้าใจรู้เรืออ่องนั่นแหละคือเรารู้อัตตาสาระในคําพูดที่เราพูดนั่นนั่นอันนั้นแหละคือผลของพลังความดีคือผลของจำพูดเรื่องดีมันก็เป็นการทํำจำดีรกระจายด้วยวายจาพูดถึงําไม่พูดไม่ดีพูดไปแล้วจะ เ, นเหนื่อให้เขาเกลีดร้อนตื้นว สำคัญทําให้เขาเสียประโยชน์ทําให้เขาได้รับความทุกข์ใจแป้วใจรับปากใจเหมือนถูกเหมือนเหมือนถูกถูกถูกด่าถูกว่าถูกเที่ยมถูกตีด้วยคาพูดอย่างนี้ทั้งถือว่าเป็นการทําทําให้ดีทางวาจาหรือคำพูดคนที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่ไปเข้าหูบงคน ก, การที่มันได้ฟังมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราบริโภคอาหารบริโภคอาหารสี่งที่ตามมาก็คือความผิดอันนี้คผลผลที่ตามมาก็คือความผิดการที่เราพูดออกไปนั้นอผลอาตามมาก็คือทำให้ผู้ฟังเข้าใจเข้าใจว่านั้นเป็นนั้นอนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้ น, อ น, น, น, น, นโอ้เข้าใจแต่ความเข้าใจ น, นี้เราไม่ต้องบอกอเราฟางังพั๊าเข้าใจเรารู้เพื่อ เนี่ยมันมอัจฉริยะอยู่ในคำพูดเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างนี้เนื้อหาของอักของธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นบทใดปาฐใดคาถาใดก็ต า, ามยธรรมะเหล่านั้นเนี่ยคำของธรรมะแท้ๆมันเป็นคำสมมุติแต่ตัวอัจฉสาระ ข, ของธรรมะแท้ๆมันมีอยู่เช่นอย่างไรเช่นอย่างธรรมะพุทโธ โดยเนื้อหาของพุทโธที่แท้จริงแล้วเนี่ยคือความตื่นความเบิกบานความตื่นความรู้ความเบิกบานของใจความตื่นความรู้ความเบิกบานของใจความเบาสบายความปลอดโปร่งอันนี้อันนันเจะเรียกว่าพุทโธคือภาวะของความตื่นภาวะของความรู้ความภาวะของความเปิกบานของใจที่จะเรียกว่า อันนั้นคืออัตตาสาระคือเนื้อแท้ของสำหรับพุทโธเป็นอัตตาสาระแท้ๆหละอันนั้นแต่ครูบาอาจารย์สอนให้พวกเราภาวนาต่อว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุท โ, โ, โธนี่อันนี้เป็นวิธีการเป็นแบบอย่างพวเราตั้งใจทําไปเราตั้งใจทําไปแล้วเกิดผลทาให้จิตของเราได้รับความสงบทำรับได้รับความสาสบายปลอดโปร่ง อั น, นี้คือคืนเนื้อหาสาระของคําว่าพุทโธแท้ๆเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้ว่าอภิส า, าระในธรรมะของพระเจ้าทีอ่องทรงบรรยัตินั้นมันจะมีเนื้อหาสาระทุกอย่างทุกเรื่องแต่เนื้อหาสาระของคำแตรรร่ละข้อแต่ละบทแต่ละบานนั้นหลายคนหลายเข้าใจหลายคนหลายเข้าใจาาเพราะระดับในใจที่จะทําให้เกิดความรูม้เกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้นมันหลายระดับ บางคนอยู่ลึกบางคนอยู่ตื้นบางคนเคยผ่านมาบางคนเคยเรียนรู้บางคนเคยเข้าใจบางคนไม่เคยได้ยินได้ฝังเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้กกาธรรมะกันเดียวกันน่แหละเวลาพูดไปแล้วเนี่ยเวลาพูดไปแล้วเวลาแสดงไปแล้วจะทำให้ผู้ฟังได้ผลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทั้งเท่ากันทั้งเหมือนกันทั้งไม่เท่ากั น, ท, ท, กนทั้งไม่เหมือนกันเพราะอะไร เพราะระดับจิตใจของผู้ฟังนไม่เท่ากันแต่ถ้าหากทักอกตั้งใจฟังด้วยสัมมาทิฏฐิแท้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบทุกบาทนั่นน่ะสามารถไปต่อยยอดในหัวใจของเราได้ทุกยอดทุกระดับชั้นถ้าเราจะเทียบหัวใจแต่ละรวงเปรียบเสมือนี่ัวสีเหล่าเนี่ยเรลานึงโผล่เพิ่งเริ่มโผล่ไม่อยากที่ตรงที่โผล่ อีเล่าหนึ่งอยู่กลางๆางน้ำอีกเล่าหนึ่งปริ่มเสมอน้ำอีกเล่าหนึ่งคนคนน้ํำพราอมพิจาบณาเนะคนน้ําพร้อมที่จะบา น, น, น, น, อ, บานอันนี้คือระดับพื้นฐานของผู้ฟังความรู้สติปัญญาความประสบการณ์ที่เคยผ่านการเรียนเรียนรู้ความเข้าใจรวมลงแล้วคือความเป็นผู้มีคุณมันไม่เท่ากันเี้มันอยู่อย่างนั้นแหละฮะแต่ถ้าถ้าอกตัต้งใจฟังด้วยความจรงิงจังจรงิจรงใจแล้ว ผู้ที่เป็นประปรมาผู้ที่เป็นพทะปรมะนูเป็นเสียจึมันบัวอยู่ที่ตรงที่โคลนวันนี้ในบางครับพยายามตักออกตั้งใจพยายามยื้อตัวเองขึ้นมานื้ตัวเองขึ้นมานี่ตัวเองขึ้นมาพนที่วันจักรดานั้นมาแล้วอยู่กลางกลางพยายามยื้อตัวเองขึ้นมายื้อตัวเองขึ้นมาจนเสมอน้ําจากกลางกลางน้ํายื้อขึ้นมาจนเสมอน้ำบัวที่เสมอน้ำก็พวกเรามีอัญชันสารไปเพิ่ม ความรู้เหล่านั้นกั็ยื้อขึ้นมาอีกเป็นพ้นน้ำและบัวที่พ้นน้ามาแล้วก็พร้อมที่จะปานขึ้นมาทันทีฮะ อ, อันนี้คือระดับจิตใจของเรามันไม่เท่าออกันเพราะระยะการเวลาการสั่งสมการอบรมความตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อมันไม่เท่าออกันแต่ถึงยังไงก็ตามธรรมะของพระเจ้าสามารถไปต่อยอดไปผลิสถานในใจของเราได้ ทุกชัก้นทุกระดับชั้นยกกระยางออยกยางพระยักษะเนี่ยยักษะกุลบุต ร, รได้ฟังธรรมะอนุปกอนุปุกพีสถาอนุภูกพีสถาอนุปุกพีสถาทาาั้งห้าพุทธเจ้าแสดงเรื่องภาเรื่องศีลเรื่องจสวัน์แล้วก็บบเรื่องเรื่องโทษของตามแล้วก็เรื่องอนิสงส์การออกจากตามภาแล้วก็ถาศีลกระถาศักระถา ตา ม, มาดีนวัคขาอานิสเนทัมัะเนทัมมะนิสังนิสังสาคาถาเน่ก็ยักษะยักษะได้ฟังได้ฟังปั๊ดได้มรุกส่วนพระโสดาบันได้ขกงศาสตร์เหมือนธรรม ท, ทีนี้พ่อตามหาได้ไหมพ่อตามหาเพราะยักษะเนี่ยมีเลยมีไปกลางเด็กมีมีไปกลางเด็กพราะอาอดีตธรรมะ เ, เก่าๆที่มีอยู่ในหัวใจตุ้น กระตุ้นเตืนให้เห็นโทษเพราะลูกเสือียักษ์จ่าเป็นลูกเสรอผีอยู่ประนางบั้มบึงบัมเรอร์ตลอดระยะตลอดเวลาหความสุขได้ทุกอย่างทุกเรื่องอพอดีวันนั้นน่ะยักษ์าเนี่เกิดหลับก่อนหลับก่อนพวกนางาบัมเอรทั้งหลายทั้งปวงวนะั่นเพราะหลับก่อนมันก็อิ่มก่อนก็ตื่นก่อนเพราะยักษ์่ กินก่อนตื่นก่อนตื่นขึ้นมาไอ้คนนั้นก็ได้ยังว่าหลับพอดีมั้งั่นเถอะแต่คนตื่นขึ้นมาก็เห็นคนหลับเนี่ยนอนขาดความทักอกตั้งใจทั้ ง, ง, งน้ำลายไหลขยายผมตั้งหลุดลุด่ยเสื้อผ้าอะไรต่อะไรสรารพัดโอ้อะไรเนอะัอ้องหัวใหญ่เนาะเหมือนเหมือนกับซากศพอยู่ในฝ่าชา้าท่านพูดถึงอะไรดีกิกรรมของยักษ์สันเคยเป็นสับเริงอว่างั้นเถอะ ความตระลุสังเวกชั ใ, ในสั ป, ปเหร่ออาจจะมีช่วงหนึง่งแหมตระลุใจเหมือนอย่างเรามาเสือกราบสังเวชสังเวชินเจ้าพระยาสถานนี้สะกดเป็นความตระลุสังเวกแพรหนึ่งนี่มีผลมีอันมีสงต่อเนื่องนะมันไม่ได้หายไปไหนมันฝังอยู่ลึกในหัวใจของเรายักษ์ตาก็เช่นเดียวกันพอถึงคราวมีอันมีสงเหล่านั้นมากระตุ้นเชียร์ ทำให้ยศสังมองเห็นนางเหล่านั้นเหมือนสาศกในฝ่ายเช้าอ้ยอดไม่ได้อดทนทนไม่ได้เลยเดินปวดรองเท้าคู่เดียวนั่นเดินอทานออกมาวุ่นวายเนาะสัดคองนอวุ่นวายนอะสัดครองนโอ้ไม่มีที่ไปจริงกั้งคืนยังจะไปเอ่าก็พอดีเดินลำปึงลำพันไปที่ป่าอิสิปัสนามุขตาวันทรรูปติเจ้าท่านทรงจงกรมอยู่ตอนเช้าเ้านี่กไปใกล้ๆพระองค์ทรงตรัส ตรงตรัสเรียกตอบรับอวุ่นวายเนอะขัดข้องเนอะวุ่นวายเนอะขัดข้องเนอะพรองคทรงเท่ากับระองทรงเ ร, ง ร, งรงียกที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาที่นี่เราจะแสดง yeah ทําให้ฟังในเมื่อใจกำลังเรียกร้องว่าพี่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องมีคนมาตอบรับเตือะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเตื่นขึ้นมาทันทีมองไปเห็นจักรพรรดิ์า้าเอาไปกจะตราตราแล้วก็ก นั่งรงแล้วก็ฝันอนุตีสถานอยจบอนุภูเขนอนุตีถาังห้าแล้วก็ต่อ้วยอริยสัจทั้งสี่คอยจบอริยสัจได้ดวงตาเห็นธรรมแหมดเห็นอร่ยสัจนี้ออกบวกรังดึกนั่ น, นครั้งคืนนั่นะพ่อแม่ก็วิ่งตามหมาลูกชายคนดีเราเนี่ยพ่อแม่คอยัตไปวิวว่งตามหมาถึงพ่อ พ่ออเดินไปทางนั้นพอดีทางที่ยักษ์ออกไ ป, ไปไปไปไปไปเห็นรองเท้าเพร่อยักษ์จ่าในถอดรองเท้าเอาไว้แล้วไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าโอ้ดี โ, <ฮ>โดลกนี่รองเท้าลูกของเรานี่ดูไปดูมาเห็นพระศาสนาแหมพระพุทธเจ้าบันดาลไม่ให้เห็นยักษ์จ่านะไม่ให้เห็นยักษ์จ่าถ้าเห็นยักษ์จแล้วเดี๋ยวจะถามกันเลยไม่ได้ฟังคำเลยมันจะไม่ได้ประโยชน์อ่ า, าเลยถามมานห็นลูกของเราไมมเห็นยักษ์ลูกของเราไห้อย่างนั้น ท่านจงนั่งลงเราจะแสดงทําให้ฟังกจะไปเจ้าแสดงอนุภูมิคติขาอีกรอบหนึ่งนะอจบลงด้วยอริยสัจทั้งสี่ให้กับท่านเสด็จผีฟังแต่ตอนนั้นนี่ยพระยศศากเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันเลยนะเขานั่งอยู่ด้วยกัำนั่นแหละแต่ปัญดาลไม่ให้เห็นไม่ให้พ่อเห็นกลายเป็นว่ายศศากได้ฟังอนุพูมิกติขาตกอริยสัจตีสองรอบแต่ว่า พอมาถึงรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่จิตของท่านาแข็งขึ้นแล้ววงั้นเถอะได้ดวงตาเห็นธรรมมาแล้วได้เห็นสัจจะมาแล้วได้วไดวงตาเห็นธรรมมาแล้วนะยักษะฟังและตรองตามคำมเทศนาของพระพุทธเจ้าในอนุภูมิสัารอบที่สองยักษะศาสได้บ ร, รุเป็นพระอรหันต์ แต่ระดับท่านตจวอผีท่อของยักษ์ศาสเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เราเห็นไหมฟังธรรมะกันเดียวกันเนี่ยฟังสองรอบทาให้ยักษ์ศาสเนี่ยเข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะอะไรเพราะระดับจิตใจมันพัฒนาไปธรรมะฟังหุ่นเจ้ากันเดียวกันเนี่ยฟังซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าทำให้จิตดวงนั้นขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นทําให้ใจของเราเนี่ยเข้าใจเพิ่มภูรีภูรมากขึ้นนี่เราพูดถึงอันตรสาระ ไม่หัวใจของเราที่มันจะเพิ่งตอบรับกับคําเทศคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกับชั้นของจิตใจมันไม่เท่ากันอยกตัวอย่างอีกอย่าหนึ่งเช่นอย่างพระปัญจวาัคคีทั้งห้าเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปพร่ติยกรอนั่นแะละตอนนั้นพวกปัญจวัคคีทั้งตามอุปถัมษาพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าหันมาเสวยพระสิย า, ารพวกนี้ก็ร้องห่งร้องไห้อะ หนีออกจากพระองค์ไปเลยแหละหมดหวังหมดหวังว่ากโอ้ผมไม่ได้บรรลุธรรมแล้วแหละลายความเวียนแล้วเวียนมาเพื่อพู้มากๆอะไรหนูอจากโง่ไปอยู่คนละแควนน่ะจากทำบลอุรุเวลาเสนาณิคมไปอยู่แควนแควนแควนราศึกษไปอยู่นู้นตะบนอ่าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแควนแคว้นกาสีมคนละแควนไปเลยแหละ กลังจะองมนุษทำเสร็จแล้วมรู้จะโปรโดตายและตั้งใจว่าจะโปรโดอาจารย์ทั้งสองฟังธมะต่อฟังธรมะต่อฟังธรมะต่ อ, มต อ, มต อ, มตอเมื่อกี้เราพูดถึงอนุภูมิสัตยายังไม่ได้ขยายความเลยรมไปถึงเรื่องยัก์สีด้วย อนุภูมิภาษาท่านพูดถึงทานทานศินทานกับศีลนี่แหละพุทธเจ้าท่านพัรลาาเรื่องทานเรื่องศินเรื่องสวรรค์แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องการฉะนั้นก็พูดท่านพูดถึงโทษของกรรมแล้วก็ท่านพูดถึองอันอนิสงของการออกจากการรมพุทธเจ้าท่านพัลลาไปานี่นี่สิดของพุทยเจ้า จ, จ, จงตาม รวมไปถึงจิตของพ่อเนี่ยส่งตามไปยับยั้งจิตไม่เป็นพระอรหรันต์แต่ก็ต้องเป็นขโมวดด้วยหลักอริยสัจสี่นะขมวดถึงว่าสิ่งเนี้มันตกอยู่ในอำ น, นาจของทุกของสมุทยัยพยายามตระกกตั้งใจทําตามตามนั้นไปพิจารณากรรมเกิดจอดตามนั้นไปเฉลียดให้เข้าถึงธรรมะจิตใจละเอียดเข้าถึงธรมรมะไปยัยั้งจิตก็เข้าถึงความเป็นพระอรหรันต์ อของยาาัะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเรามาพูดถึงความหมายของทานทานไปแล้วมีผลมีเงินมีส ง, สงให้ได้สวรเรามาพูดถึงการตั้งแต่รักษาศีลตั้งแต่รักษาไปแล้วทําให้มีสวรรค์ทําให้ได้สวรที่เรียกว่าสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติ เพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจให้ทานให้ทานให้ทานรักษาสิีลรักษาศีลรักษาศีลแก่เราไม่ภาวนาเนี่ยอถึงที่สุดหัวใจเราใกล้จะตายใจของเรากาะแน่นอยู่กับเรื่องทานเรื่องศีลที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจรักษามาทําให้เราเราได้ไปอุ บ, บัติบนสวรรค์เราไปไปไปอุ บ, บัติบนสวรรค์เดี๋ยวนี้ว่บาบนสวรรค์นั้ น, บบ น, นมันเป็นที่เราบริโภคกรรมกรมทั้งหลายที่เป็นที่ ต า, ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธรรมารมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องสองทิพย์ ท, ท, ท, ท, ทิทิพิินั่นแหละอ่ามันมีความสุขมากอยู่นนั้น อ, ะอ่ะอ่ามากกว่าโลกมนุษย์ที่เราสวยความสุขอยู่เนี่ยเราสวยกามอยู่ในโลกมนุษย์ที่เรามีความสุขขั้นไหนระดับไหนการมาคุณทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นรสเป็นสัมผัสที่เราไว้พริโภคทุกวัน อ, อย่างข้าวปลอาหารเนี่ราพอิโภคอเข้ า, ปาไปแล้วกินหนำช้ำราย ลรไม่ใส่เข้าไปรู้หนูกหายอยู่นั่นแหละตาจําเป็นต้องดูเห็นรู้ดีใจไม่ดีใจสมูกลมกลิน่นดีกลิ่นไม่ดีสิ่งเหล่านี้การสัมผัสการสัมผัสรวมไปถึงสัมผัสสัมผัสวัตถุกลามทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงสัมผัสอ่กามเกี่ยวกับองกราร ม, มาราชคือยอดของกาม ความสัผัสเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกรรมโลมนุษย์เราก็าได้สัมผัสกันแค่นี้แต่ว่าบนสวรรค์นั้มันเป็นของทิพเพราะว่ามันมีความสุขยิ่งใหญ่มากกว่าเราตูนกเจ้าท่านตัวก็เราเพลินก็ตายไปแล้วไปเกิด บ, บนสวรรค์น่ะไปเสพสุขเกิกรมาสุขทั้งหลายอยู่บนสวรรค์น่ะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนกว่าจะหมดอายุไขบนสวรรค์ท่านจึงสอนให้เลยนะั่นเองสอนให้ถึงเห็นโทษของกรกรมกามคุณทั้งหลายเหล่านั้น กรมทุกข์ทังหลายเล่า้นเราไม่เคยไปอยู่บนทิพย์พุมารกรมมรรคที่เป็นทิพย์เป็นทิพย์เป็นทิพย์เราพิจารณาที่การมสุรคบนโลกมนุษย์เรานี่ยเหมือนอย่างเราแสวงหารคทั้ถือว่าแสวงหาสิ่งที่ตายสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแสวงหาเสียงสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็ดต้องตายสิ่งต้องยึดโยกคลาดคาแสวงหากลิมแสวงหารถแสวงหาสัมผัสสัมผัสอะไรจะนิบวนขนาดไหนก็ตามเถิดมันก็ตกอยู่ ในลักษณะนอง ว, ว่าเสื่อมไปหายไปสิ้นไปสแสวงหาของไม่จริ ง, ย, งยั่งยืนแสวงหาของไม่เฉนเฉนไม่เฉนสามที่ท่านพูดเอาไว้นอกจากนั้นแล้วการแสวงหาเนี่ยมันง่ายที่ไหนเรารู้ซิเขาตั้งใจทําหาีิมันไม่ง่ายเลยทำงานทํายากแถนยากลาบากอดตับอดนอนงานบางอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยางนั้นแล้วผิดท่อง้องใจทะเลาะบอกแวนก้นเกี่ยวกับเรื่องการเรื่ององานนี่คือโทษของสาม โทษของกรรมอีกคั้หนึ่งก็คือเรามีครอบมีครัวมีผัวมีเมียนี่เป็นเหตุให้เราต้องมาแบกมารับภาระทั้งหลายทั้งครัวอันนี้อมีโทษของจักของมันมันมีคุณอยู่นิดหน่อยแต่มันมีโทษมากวุ่จ้าทั้งตัวพวกเราหลงทั้งเลยสอนสอนให้เราผิดเรื่ยวกเรื่องกรมมุดทั้งหลายทั้งครัวนะโทษนี่สอนให้เห็นโทษของกามแล้วก็พูดถึงอันนี้สมองการออกจากกรรมนะอันสมองการออกจากกรรม ิตใจเพราะเราไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมีผลมีอานิสงส์ในอนุภูมิสถานเนี่ยมันเป็นธรรมที่สูงขึ้นโดยลําดับตั้งแต่ตาหารเสียบเข้ามาสินเสียบเข้ามาสวรรค์เสียบเข้ามาเห็นโทษของตามขสียบเข้ามาอาพูดถึงอานิสงส์ผลจากการออกจากตาม และที่มีการออกจากการมนี้ท่านพูดถึงความสงบของใจใจของเราถ้าหากไม่สงบแล้วใจจะออกจากการมไม่ได้แต่ถ้าหากใจเราสงบชีไรเมื่อไร่ใจของเราก็จะห่างางออกจากการมใจของเราก็จะเริ่มออกจากกามใจของเราก็จะห่างออกจากกามใจของเราจะเห็นโทษของกรรมเราพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นผลของการตั้งใจภาวนาใจจะต้ความสงบใจเราสงบนั่นแหละคือใจของเราเริ่มห่างออกจากกามกรรมมาคุณนั่นแหละ กรรมคุณกรรมคุณกามทั้งหลายมีคุณนิดหน่อยเป็นโทษมากอการมคุณทั้งหลายมีคุณนิดหน่อยจะมีโทษมากโทษของกรรมการอยู่เป็นครอบครัวการธรรมหาจรมีพอใช้มีไม่พอใช้การจิดคล่องมองใจการฆ่าแกงกันการทะเลาะเบาแห้นปอกการดีว่าบาดม้างอะไรต่ออะไรกัน ตรงมันยังโลกใบนี้ทุกวันเนี่ยที่มันมีค่าศึกมีการฆ่ากันตายทั่วทุกมุมโลกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเพราะอะไรก็เพราะเยี่ยงกามกันเยี่ยงวัต ถ, ถุ ก, กามกันบนโลกใบนี้เยี่ยงวัต ถ, ถุ ก, กามกันบนสวรรค์เขาก็มีการเยี่ยงวัตถุกามเหมือนกันไม่ว่าแต่บนโลกมนุษย์เลยเนี่เวดาบนสวรรค์ท่านจะยังมีความโลกอยู่ท่านยังมีการเยี่ยงกันอยู่เคยได้ยินไว้มาว ม, มีนางเทพชิดานางหนึ่งน้ำงา ม, งาม ไป อ, อุบัติขึ้นในระหว่างเส้นแบ่งของเทพประบุตรสองตนน่นะนางรงื้อไป อ, อุบัติตรงระหว่างเส้นแบง่งองหนึ่งก็ว่าของตนอีกองหนึ่งก็ว่าของตนงกน็เลยทเลาะกันเลยแย่งกันเนี่ยจะเป็นของใครเนานางเนี่ยจะไป อ, อบัตท้องฝ่ายลูกนไม่ไปมาออบัดฝ่ายนี้ก็ ไ, ไปไป อ, อบัตท่ามกลางเส้นแบ่งว่างั้นเถอะ เ, เทวดาก็น่าจะมีเส้นแบ่งขอบเขตเหมือนกันนะทีเรียกตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ ก, ก็ดเดือดร้อนถึงพระอินทร์เลย ไปเชิญพรินมาไปเชิญ น, นมาอินมาเห็นนางนา ง, นางนนี่ยงามมากเอท่านทั้งหลายเห็นนางนางนี้แนละ้วท่านทั้งหลายคิดว่ายังไงเห็นว่ายังไงอ๋อองของหนึ่งก็บอกว่าเป็นของตนอีกองหนึ่งก็แย้งมาว่าเป็นของตนแลวเส้นแบ่งก็ต่างคนต่างอยากได้เพราะนาง น, นี่งามมากเรานี่ไม่เหมือนท่านทั้งสองนะเราถ้าหาเราไม่ได้นางนี้เี๋ยวเราตายแน่แเลยรืย้อเอาไปจ้อย <c oughs> <c oughs> รู้อ ย, อย่างไหม S <S <à> พอินเลยแต่จิตใหเอาไฟจ่อยแน่เจ้เวลาสองตนนำเร็วไม่ได้เลยเพราะพระอินก็เป็นใหญ่จ้องเทศจองเทพพระอินี้คือตครามใจเขาเราเศร้าหมองคุณมืออะไรตัวใดสารพัดเนี่ยมันครุมเครือพูพันไป ด, ด้วยอำนาจองกรามมาคุคทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าการมืังกว้างขวางานาอะอาเราอากไปหมา ย, งยางึงจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมรคฆอ ย, อย่างเดียว อามันคือการที่เราไปติดโด้ตติดนี้ติดรูปติดเสียงติดอะไรก็ได้สารพัดติดความเพลินเพลินเพลินไปเกี่ยวกับเรื่องของตา <_ p ull ing> แท้ที่จริงเนี่ย <_ p ull ing> เหตุที่ความเพลินพุ่งเจ้าท่านกูเพลินท่านถึงพูดถึงโทษโทษเหล่านี้เราก็เห็นเอาโทษแค่การคลองเรือนเะโทษแค่โทษการคลองเรือนอย่างเนี้ย ยังเรามีเรามีครัวเรามีเรือเนี่ยเราไมต้องเอาอกเอาใจกันไม่ต้องเอาเอาใจกันแต่กกันวันสองวันแต่กันแล้วต้องเอาอกเอาใจกันสามีต้องเอาใจภรรยาภรรยาต้องเอาใจสามีต่างคนต่างรักต่างสนองหัวใจสู้กันแหละกันแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็แต่กันแหละยิ่งดูถูกันเหยียดหยามกันด้วยแล้วด่าทอกันแล้วโอ้ยอ่ะหมดเลยแหละที่เคยมีความรักกันเท่านั้นทีนี่หายไปหมดแล้วแหละไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ เพราะอตอนที่เราฉาบสวยเห็นการเป็นการเป็นคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นแอ่ะมันทําต่างฝ่ายต่างสําคัญเห็นว่าเป็นนางเทพธิดาต่างสักกานมั่นหมายว่าเป็นเทพเทพพระบุตรต่างมองกันเห็นเป็นเทพระบุตรเป็นเทพธิดาทั้งนั้นแหละพอเวลาไปสัมผัสสัมพันธ์กันปั๊บความผีปอกความผีปรากฏปั๊บโจนโวษของกลางเป็นนี้จากนั้นแล้วก็มีุ่นมีนี่มาปลูกมาพันทําให้เรา รุ่งเหยิงวุ out, ่นวายโอ้พบชาติของเราต้องมาเสียเวลานัเวลาอีกแล้วความทุกข์ทั้งหลายต้องมาทับถมเราอีกแล้วเป็นเหตุให้เราต้องได้เบงกนั่ลองได้หาหมนี้กันอยู่อีกแล้วแหนที่จริงก็คือเราไม่มีวิธีการที่เราจะยับยั้งชั่งตวงและเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไปเรื่องเหล่านี้มีโทษอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราออกจากตาม การที่จะตั้งใจแสวงหาคุณธรรมนั้นคือตั้งใจออกจา ก, กาตามถ้าออกจากยังไรงราออกจากบ้านออกจากบ้านไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดเงี้ยไปอยู่บาเพ็ญออกจากบ้า น, นไปอยู่วัดอยู่เขาอยู่บำเพ็ญมันก็ออกจากแต็ร้ายแ็่ใจถ้าไม่ทิจนาเห็นโทษมันก็ไปกับใจนั่นแหละไปนอนนึกนอนคิดนอนตรงอยูนั้นแหละไม่จบไม่สิ้นฉนหนเนี่ยกลับเืนมาแล้ว นอนนึกนอนคิดนอนรู้อยู่นั่งเหร่กราบคืนน้อยแล้วหนึ่งคืออำนาจของตามเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอากายออกจากกามด้วยท่านจึงให้เอาใจออกจากกามด้วยตอนที่เอาใจออกจากกามก็คือเอาใจอยู่กับธรรมไม่เอาใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสคือภาวนาให้ใจสงบใจถ้าใจใจจะเริ่มสงบใจจะเริ่มห่างจากตามใจจะเริ่ม คลืนคลายเกี่ยวกับเรื่องกามใจจะเริ่มเห็นโทษของกรรมเพราะฉะนั้นเราสามารถสงบระงับดับอารมณ์ของกรรมในหัวใจของเราได้ด้วยการเจริญเจริญกรรมฐานนี่เองเจริญกรรมฐานพุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันแทร่รูปขึ้นมาเราทราบมันก็ดับเสียงแทร่ขึ้นมาเอพอเราทราบมันก็ดับ เนรสสัมผัสเรื่องราวสารพัสแสท้ขึ้นมาหัวยใจของเราเพราะเราตั้งสติกำหนดจดจอรโรออยู่เอาศัพท์ทำเหล่านี้นะ่ะไปแผดเผาครับมันก็ดับเอาไปแผดเผาครับมังก็ดับเป็นการไปทรมานใจเป็นการไปหักห้ามใจเป็นการไปขัดเปล่าใจจนใจขเรามีผลมีอันสงคือใจขเราเริ่มสงบใจขเราเมื่อเริ่มปุดเริ่มหัดเริ่มดัดเริ่มแปลงมันไม่แต่งอะไรกับเราฝุดหัก ไปายโวลทำมาฝุกหัดทํามาใช้สอยงานเยิ่งฝุดไปเขายิ่งยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งฝุดไปเรายิ่งเขายิ่งเข้าใจอเพียงแต่เจ้าของดึงเท่านั้นแหละเขาก็วิ่งเข้าเอกเข้าไถ่กันเองเราไปฝึกหัดทําใจของเราให้ได้รับความสงบเพื่อเนเดียวกันเพียงแต่เรามาดำริพุโธผู้โทผูโท้โธจิตเร า, เานนก็จะสงบสงบแล้วต้องมาทหารอวิชตามแล้วจิตตา จิตสงบจิตทางออกจากตามที่เราจะไปพิจารณาเห็นอันนี้อางทุกขลักมันมันมีผลมีอนมีสงส่งเราไปไม่เกีว่าจิตเรามีพื้นมีบามีถานนี่คือการออกจากตามมีอันนี้สงอย่างนี้เพื่อที่ท่านตั้งใจบำเพ็ญเพื่อให้เห็นอาจเห็นธรรมเห็นคุณค่าในหัวใจคุณคุณค่าในหัวใจท่านจะต้องมาต่อสู้กับสิ่งเล่ทั้งนั้นต่อสู้จน จิตของเราไม่อยู่ในอำนาจของกลางกามทั้งหลายเนี่ยหางออกไปจากจิตที่ท่านเรียกว่าสำรอกตามออกจากจิตสำร้องกลางออกจากจิตที่จิตออกจากกลาม อ, อ, อาศัยแต่ว่ากายออกจากกลามอย่างเดียวไม่ตั้งใจภาวนาให้จิตมันสงบระงับจากกาสมสงบระงับไม่ได้กพจิตมันไปอยู่ที่ไหนการนึกก็คิดก็พงอยู่อย่นั้นแหละอา่าจิตมันอยู่ด้วยการเอาข้อปฏิบัติไปกำกับไปดัด ไปแปลงไปฝึกไปหัดไปดัดไปแปลน้นจิตของเราได้รับความสงบนั่นแหะมันถึงจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีพื้นมีฐานอะจะพัฒนาไปให้ดีสีกวี ม, มากไปกว่า น, นั้นพิจารณาเห็นทุนเห็นโทษเกี่ยวกับเรื่องปัญญาหเห็นอ้อย่างทุกขังอนุนตาจิตของเราถึงจะพอจะเป็นไปนี่ท่านพูดถึงท่านพูดถึงอนุปูติสถาเนื้อหาเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่า พระยษสนาท่านมีบุญพระพิจารณาพละจิตของท่านก็เป็นไปด้วยเป็นก็ะเห็นโทษของกามันเข้ากับที่ท่านมือนายจะห น, าานีออกมาอยู่แล้วมันก็เข้ากันเข้ากันรอบแรกได้เป็นสวดดับบันรอบที่สองได้เป็นพระาอารหรันต์ถึงยัอ่ะสวนาฬีเรือยงนี่เหรอล้ครับอ๋อโอ้แปบ๊บเดี ย, ดยววันนี้เรามาโชคดีมากก็ไม่จิดนะ โอ้ทุกครั้งมารถติดเป็นกิโลกิโลเลยทุกครั้งเนะรถติดมาเป็นกิโลกิโลเลย<ม>อ่าอย่างนั้นตอนนี้เอา อ, อยุติดรถแค่นี้ก่อนลอะอายุติดรถแค่นี้ก่อนละ